หลวงปูภาวนานะ่ยเริ่มแรกพระอยู่ในวัดท่านสอนให้บวชมาใหม่ๆไม่รู้จักแม้แต่ภาวนาครูบาที่เขาบวชก่อนมาในพรรษาหนึ่งเขาสอนให้เห็นเห็นเขานั่งภาวนาแล้วเราบวชใหม่ๆล้วก็ไม่รู้เรื่องก็เลยถามเอาครูบาทําอะไรเมื่อคือนนี้นะได้ยินเสียงพึมพำพึมพำอยู่ บอกกับภาวนาที่อ่างั้นภาวนานี่มันดียังไงหรอภาวนานี่ก็ได้บุญเนี่ยได้บุญแล้วก็เป็นการตอบบุญแทนคุณข้าเข้าป้อนละ น, น้ำนมมารดาบิดาด้วยท่าอย่างนั้นก่อนนิมนต์สอนให้ผมบัานเป็นไงอะ่ะผมก็นึกถึงบุญคุณท่านมารดาผมก็ล่วงลับไปแล้วเหลือแต่บิดาผมก็อยากสร้างบุญกุศลหรอ อุทิศให้แก่มารดาผู้วายชนไปก็ได้สิเป็นไรว่างั้นเมื่อรับปากกันในท่านท่านไม่ได้สอนให้เรียนเอาคาถาที่ท่านภาวนาท่านสงวนวิคติษฐ์ยังไงก็ไม่รู้แหละอืมท่านแนะนําให้ไปท่องเอาอนุสตรีสอ่าแล้วก็บริกรรมท่องจําเอาได้แล้วให้บริกรรมเรื่อยไปนะว่างั้น แล้วจิตใจก็จะสงบสบายอย่างนั้นก็ไปท่องเอาอนุสติสิบนั่นเลยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติธีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอมรณ า, านุสติกายคตาสติแล้วก็อานาปานสติอุบสมานสุสตินี่เร็วอนุสติติด ท่องเอาได้ได้ ว, วันนี้ก็ บ, บริกรรมแล้วพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเลยไปจบแล้วตั้งจบแล้วตั้งอยู่นั้นนั่งสมาธิอยู่กับบริกรรมอนุสติสิบออกจากคําที่ไปแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาแต่อนุสติสิบนั้นอยู่สุดแล้วตั้งสุดแล้วตั้งอยู่นั่นเนี่ยพอภาวนาไปแล้วเออรู้สึกว่าใจเย็นสบาย ออภาวนาเอางนี้มันดีอยู่นะนี่ว่างั้นจึงได้เอาใจจด จ, จ่ออ ย, อยู่ทั้งกลางวานันกลางคืนเลยรแบบนี้ท่านต่อมานีถึงใกล้กลัมันสาเลยไ ด, ได้มาจำมันสาอยู่ในจังหวัดเพื่อเรียนนักธรรมก็มาพบอาจารย์อีกองค์หนึ่งบะนี้ก็เรียนถามท่านว่าผมภาวนาอนุสติสิบอย่างนี้ถูกไหมว่างั้นอาจารย์องคนั้นก็ตอบว่าถ้าจะให้ถูกจริงๆก็คงไม่ถูก แต่ก็พอใช้ได้เหมนั้นเอาที่ให้ถ้าภาวนาถูกจริงๆเนี่ยภาวนายัางไงเหานก็บอกว่าภาวนาพุโทโธเหมือ น, นเอาคำเดียวเท่านี้แหละใจมันถึงสงบลงได้ถ้าบริกรรมไปหลายคำหลายบทไปแล้วจิตใจมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อท่านบอกนั้นก็เอาเชื่อมันนั่งภาวนาเข้าไปกัดใจกันนึกพุโทโธแล้วนี้ อ้าวพุทธโทวันนี้มันส่งออกนอกที่วันนี้พุทโธไปทั่วพิภพเลยฮะนี่รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ส ง, งบแต่ว่าพุทโธรไม่เลิมนึกพุทธโทมันกับจิตก็วิ่งไปตามเรื่องต่างๆภายนอกนองกับพุทโธก็ไปด้วยวันนี้โ อ, อ้ ก, ก็พยายามตะล่อมไอ้ความคิดเรื่องนั้นให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาพยายามนึกให้สั้นเข้ามาวันนี้มาให้มันยาวออกไปฮะ น, นี่นึกสั้นเข้ามาสั้นเข้ามามาถึงตัววันนี้ ถึงร่างกายแล้วก็นึกน้อมเข้าไปสู่จิตบะนี้ให้พุโทโธไปตั้งอยู่ในจิตนู้นบะนี้พอจิตสงบลงไปพอสมควรแล้วก็ระจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้วันใดภาวนาก็ทําำในอย่างนั้นเลยทําอย่างนั้นเลยมาโดยลําดับทั้งเรียนนะทำด้วยทั้งภาวนาด้วยรูย้สึกว่าจิตใจมันสบายล่าเริงบันเทงิง ไม่เดือดร้อนอะไรร่างกายก็สมบูรณ์มีกําลังเรียวแรงดีแต่ก็เพราะว่าจิตใจมันเบิกบานผ่องใสนั่นเองคนเรานี่ถ้าหาว่าจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วร่างกายมันก็กระชุ่มกระสวยไม่ค่อยจะมีบาดขัดข้องมันเป็นอย่างนั้นเดงมมนะันน่ะเว้นเสียแต่ผู้ที่มีกรรมมีเวร ถ้ามีกรรมมีเวรหนหลังตามมาสนองแล้วมันก็เป็นไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดกรรมหมดเวรอันนั้นแล้วก็หายมาเนี่เรื่องที่โยมผู้หญิงคนนี้ภาวนาแล้วเกิดนิมิตได้ยินเสียงพูดอะไรจ่ออะไรให้ฟังอยู่จนเกิดความรำคาญอันเช่นี้นี่ก็บหลวงปู่เคยเห็นมา ไม่ใช่คนอื่นนะบิดาของตัวเองนี่แหละแต่ท่านบวชเป็นพระแล้วนะในวัดหลวงพ่อและในไปอยู่ปักใต้พาไปอยู่ปักใต้อยู่จังหวัดพังงาปีนั้นเพื่อนก็ลาไปจามันสาอยู่อีกแห่งหนึ่งอยู่กับพระอาจารย์องค์หนึ่งอาจารย์มหาปินทีภายหลังท่านขึ้นมาอยู่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ถึงแก่มรณภาพไปแล้วแหละเดือวนี้นะใส่จากับ ท่านมหาปิ่นนั้นในพรรษานั้นท่านภาวนาไปเกิ ด, ดิมิทร์ได้ยินเสียงเทวดาเสียงเทวดาดังแว่วแว่วมาใส่หูเทวดาคุยกันหัวเราะกันยังไงรู้สึกว่าเสียงไพเราะเอาจริงๆเหมือนั้นแล้วก็เทวันที่โยงอยู่ตามต้นไม้ในบริเวณวัดนั้นอันนั้นเป็นที่เล่นของลูกเทวดาเหมือนั้น มันนี้ท่านไปเล่าให้ท่านมหาปีนเล่นฟังะเพราะว่าเมื่อเมื่อเกิดนีพขึ้นอย่างนั้นแล้วโนอนก็ไม่หลับีิขอภาวนาไปเราได้ยินเสียงเหล่านั้นเสียงนั้นมันก็รบกวนหูอยู่เอยโนอนก็ไม่หลับคั่นอาหารก็ไม่ค่อยได้วันนี้ท่านมหาปีนไม่รู้จักทางแก้เลยไม่ทราบจะไปแก้ยังไงวะมั่นเป็นแบบนี้ เพราะท่านไม่เคยเรียกว่าเป็นมรมมหากำลังออกปฏิบัติใหม่ก็ยังไม่ฉลาดในเชิงภาวนาจึงได้ทรงข่าวไปหาที่ในเมืองนนจามัษาอยู่ในเมืองปีนะันในในเมืองฟังงาหลวงพ่อภาวนาแล้เกิดนิมิตยอย่างนั้นอย่างนั้นผมไม่มีทางแก้ได้ขอในมนไปแกของนั้นก็เลยไปไปหาไปหาถามท่านถ้าก็เล่าให้ฟังอย่างว่านี่เนะี่ย แต่ท่านนี่ก็เลยพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อนะ่ะลืมจิตใจซะแล้วจิตใจท่งไปยึดมั่นอยู่ในเสียงต่างๆที่มันดังมาแว้บๆมันนั้นนะไปเพลิดเพลินอยู่กับเสียงต่างๆมันนั้นนะจิตใจเข้าถึงความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันถึงนอนก็ไม่รับทานอาหารก็ไม่ได้วันนี้หลวงพ่อต้องรู้ว่าอันนั้นเป็นในเพียงนิมิต ือเป็นแต่เพียงอารมณ์สัญญาอารมณ์ที่เคยไม่ใช่เป็นตัวจริงไม่ใช่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นเทวดาจริงให้เข้าใจแต่ว่าเป็นมาลของสมาธิก็ได้ถ้าหากว่าเราไปหลงไหลอยู่ตามเสียงต่างๆหมดนี่นี่จิตสงบลงไม่ได้เลยสังขารร่างกายก็สุดโทรมลงไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงต่อ น, นี้ไป ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในจิตคือความรู้สึกไม่ใช่อย่างอื่นว่าไเราจะไปหาดวงจิตเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีสันวันนะ่ะต่างๆนั้นไม่พบหรอกไม่มีความคิดก็ไม่ใช่จิตความรู้สึกอยู่ภายในกายนะั่นคือดวงจิตแต่ดวงจิตตรงนี้มันอาศัยหาไทยวัตถุอาศัยเนื้อหัวใจ เป็นอยู่นะนี่ฮะเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นน่ะนั่นแหละคือจิตดังนั้นน่ะให้ให้หลวงพ่อทำจิตใจเดี๋ยวนี้แหล ะ, ะว่างันผู้เท่าก็น้มจิตเข้าไปวันนี้น้อมสติเข้าไปควอบคุมจิตไว้ภายในตั้งมั่นอยู่เอาให้ควบคุมจิตไว้เสียงอะไรดังมาก็อย่าไปใส่ใจมัน ให้เตือนตนว่านั่นเป็นแต่เพียงนิมิตไม่ใช่ของจริงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรให้เตือนตนอย่างนี้ผ่าเสียงอันนั้นมันดังไว้ออกมาก็ดีอย่างนันอย่าให้จิตใจมันส่งไปตามเสียงนั้นให้สติกำหนดรู้อยู่ที่รู้นั้นความรู้อยู่ตรงไหนสติก็ให้ประคองอยู่ความรู้นั้นอยู่ตรงนั้น ให้ทำอยู่อย่างนี้แหละเรื่อยไปอย่าไปวิจาริจารไปกับเสียงกับรูปอ้ไต่างๆโมเดลว่างั้นผู้เฒ่าทำในใจลงไปสักประมาณสามสิบนาทีออกจากสมาธิมาบอกว่าหายแล้วว่างั้นวันนี้หายแล้ววั้นลต่อจากนั้นผู้เฒ่าก็นอนหลับได้วันนี้ทานอาหารได้เลยหายเป็นปกติไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลย เป็นปกติได้นี่แหละเพราะฉะนั้นที่ถามกันมาว่าหลวงปู่ภาวนาอย่างไงเนี่ยหลวงปู่ภาวนาบริกรรมพุทธโธเป็นอารมณ์ทีแรกบารี้เมื่อนั่งภาวนานั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ตั้งสติควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในคือความรู้สึก น, นั่นแหละแล้ววันนี้คิดก็นึกพุทธโธพุทธโธไป แต่พุโทโธอยู่อยู่ในความรู้อันนั้นนะความรู้อยู่ทงไหนพุโทโธก็อยู่ทงนั้นนานเข้านานเข้าจิตใจมันไม่มีโอกาสได้คิดไปภายนอกแล้วมันก็รวมลงรวมลงในที่สุดมันก็หยุดนิ่งพุโทโธก็หายไปเหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นเป็นหนึ่งอยู่ในท่ามกลางอกเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าตัวเบา ร่างกายก็เบาจิตใจก็เบาปลอดปร่งมันเข้าหลักของสมถะภาวนาเลยวันนี้นะหลักของสมถะภาวนาเนี่ยท่านกล่าวไว้ถ้าใจมันรวมลงมันละอารมณ์ภายนอกได้จริงๆไอ้เช่นนี้เนี่ยมันจะเบาความรู้สึ ก, กนั่นนะไม่นักน่วงไม่อึดอัดอะไรไอ้ร่างกายนี่ก็เบาเหมือนนุ่นนี้เลยอะร่างกายเบา ไอ้ความเจ็บปวดความเมื่อยล้าต่างๆหมู่นั้นนี่ย mm hmm. ก็ระ ง, งับลงไปหมดเลย mm hmm. กายก็เบาปลอดโปร่งรื่องนั้นไอ้อย่างนั้นแล้วเรานั่งอยู่ได้นานทีเดียวเลยนะนั่งไปนานไปก็เบาไปไม่นักไม่น่วงผู้ที่มีโรคภัยเบียดปีนร่างกายถ้าไม่ใช่เรื่องของกรรมของเวรอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ระ ง, งับไปได้หายได้ เป็นไข่อย่างนี้นะข้าวหนึ่งก็เป็นไข่อยู่ถ้ำสูงทีเดียวจากตีนเขาขึ้นไปประมาณสักสองเส้นเห็นจะได้ไปเป็นไข่วนถ้ำนั่นนะพอฉันเสร็จแล้วก็เริ่มจับไข่จนตะวันตกน้นจึงหายจึงสัง่งแต่ละวันละวันวันนี้ก็นานไปมันก็สมมติว่าแปดโมงเช้าเป็นไข่ มันก็นเลื่อนไปกเก้าโมงเช้าเป็นไข้เลื่อนไปสิบโมงเช้าเป็นไข้กว่า น, นี้ก็ไปสั่งเอาหกโมงเย็นได้เป็นจับไข่อย่างนั้นมาหกเจ็ดวันหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านอยู่ตีนเขาไม่ได้อยู่ถ้าบนเขาท่านบินรบายมาแล้วท่านก็ให้คนเอาอาหารขึ้นไปส่งให้ฉันมาในวันที่เจ็ดท่านน่นนย มันจับไข้อีกตอนบ่ายเพม่นจับไข่อีกวันนี้ก็เอ๊ะเขาทําอัศนะมาถวายอันหนึ่งทําด้วยฟางฟางข้าวนี่แหละเอามัดลงเป็นนั่นเป็นมันมัดระบัดเอาหมุนเข้าให้เป็นวงกลมมาเอามาถวายวันนี้เราจะเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในก้นถ้านั่นเอ่มันเป็นยังไงทําไมมันจึงชอบจับไข่เอาแล้วเกินในวันนั้น ถ้าไข้ในไม่สั่งเราจะไม่ออกจากภาวนาได้เฉลียนฟางอันนั้นเป็นอาสนะแล้วก็เดินเข้าไปในคนทำไปไปเห็นหินก้อนหนึ่งตั้งอยู่คอดีผููอาสนะลงไปพอนี้เนี่ยหินก้อนนั้นก็ดีแล้วก็แสงสว่างก็ส่องเข้าไปพอเป็นลางๆขึ้นนั่งสมาธิอยู่บนหินก้อนนั้นอธิษฐานอาสไข้นี่ไม่สั่งแล้วข้าพเจ้าจะไม่ออกจากสมาธินี่เลย อธิษฐานเราวนี่กันั่งเพ่งอยู่แล้ววันนี้นะเพ่งเข้าไปภายในมันเป็นไข่เนี่ยมันพอเพ่งเข้าไปทีแรกก็หนาวนะต่อมาเกิดร้อนแล้วร้อนในลาไส้ในกระเพาะนู่นนะร้อนขึ้นก็ไม่ถอยเพ่งอยู่อย่างนั้นนะเอาร้อนก็ร้อนเราจะเพ่งดูความร้อนวันนี้นะเพ่งไปเพ่งมา ว่านี้่ออาอแห่งความร้อนนะั่นมันก็พุ่งออกตามขุมขนนี่นะทุกขุมขนไปเลยนะมันพุ่งออกมาจนจีวรนี่ปารากฏว่าไหวไปไหวมาอยู่นะจีวรที่ห่มอยู่นะคราวนี้เหงื่อออกทุกขุมขนเลยความร้อนพี่มันร้อนอยู่ภายในแนละ้ค่อยเบาลงเบาลงมาดี้นะเอาก็เพ่งไม่ถอยเลยไอความร้อนก็เบาลงเบาลง ความเย็นก็ค่อยปรากฏขึ้นในที่สุดความร้อนก็หายไปวันนี้เหงื่อนี่มันออกจากคุ้ขนนี่ก็ถูกผ้าชีวอนี่เปียกโชกทีเดียวแล้วเปียกโชกเลยันเดียวไข่ก็สั่งวันนี้นะไข่ก็สั่งก็ไข่ขสั่งแล้ววันนี้ก็ออกจากสมาธแหละก็ออกจากก้นทํา ม, มาตั้งแต่วันนั้นมาไม่จับไข่อีกเลยหายไปเลยเอา อยู่ต่อมาพอเกิดตุ่มอะไรขึ้นเอที่บ้านเอวเนี่ยที่สายเข็มขัดลัดเอวเนี่นะไอ้ตุ่มานนัไปตุ่มหัวดําๆอะ่ะต้องก็ไม่ได้เจ็บเอาประคดเอวเอจะเอารัดเอวก็ไม่ได้บ่านี้เมื่อนุ่งสะบงก็ต้องเอาลัดหน้าอกเพสะบงขึ้นมาเทียมกับหน้าอกแล้วเอาประคดเอวรัดไปเพิ่งกระนั้นก็ไปบินธบัตไม่มีถอยไปบินธบัต เป็นตุมนันอยู่อีกเจ็ดวันหายออืก็อยู่ในที่อย่างนั้นไม่มีเรื่องหยูกยายจะไปถามหาเลยมีแต่ภาวนาลูกเดียวตุ่มนั่นก็หายไปเลยเพราะสมน้ะหายไปก็สบายเออนี่มาทบทวนดูว่าคงจะเป็นพิษของไข้นั่นแหละมันออกมาภายนอ ก, กว่านี้นะมันไม่จมอยู่ภายในเมื่อพิษมันออกมาหมดแล้ววันนี้มันก็เลยไม่จับไข้อีกเลย ก็เลยเป็นปกติไปนี่นี่ผู้อยากอยากทราบว่าหลวงปู่ภาวนาอย่างไงเนี่ยก็จึงเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละหมายความว่าเมื่อเราประสบภัยพิบัติอย่างนั้นมาแล้วใจก็กล้าหาญเลยสละตายเลยอย่างนี้นะเอาเมื่อมันเป็นทุกข์ขึ้นมามันร้อนมันเจ็บอะไรขึ้นมาก็เพ่งดูที่ร้อนที่เจ็บไม่ถอยเลยอื เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจ mm. เมื่อใจแข็งแรงแ้่อย่างเดียวแล้วอะไรอะไรก็สู้ไม่ได้เพราะงั้น mm. เมื่อกําหนดได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงตั้งใจเข้มแข็งมันจะทุกข์มันจะร้อนมันจะเจ็บอย่างนี้ก็ช่างมัน mm. ไม่หวั่นไหวเออเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นไปได้สักคนเกิดมาในโลกนี้ถ้า ยังมายึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วไอ้จิตใจนี่ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ไม่ใช่ป็นทุกข์แต่ขันห้าใจก็เป็นทุกข์ด้วยออย่างนี้ดังนั้นนะ่ะใจอย่าเป็นทุกข์อย่าไปสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเอาให้ปล่อยวางตามสภาพเสียเมื่อเมื่อสตินี่สอนจิตนี่เข้าไปเข้าได้แล้วสติอจิตนี่มันก็เข้มแข็งขึ้น ถูกสติผักเตือนเข้าไปแล้วนะมันก็กล้าหาญเลยไม่วันไว้แต่ความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆอย่างนี้แหละคือบําเพ็ญมานะเห็นเช่นนั้นเมื่อธรรมราจิตนี่เมื่อเราเพ่งเราฝึกให้มันหนักแน่นแล้วอย่างนี้นะมันก็เป็นบาดของวิปัสสนาคือเป็นทางที่จะให้เกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นมา พอจิตตั้งมัน่นเราพิจารณาทุกมันก็เห็นทุกได้แจ่มแจ้งอย่างนี้นะบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นแล้วพอทุกเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งกับจิตเข้าไปจิตก็วันไหวไปเลยดิ้นรนไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปรู้เท่าทุกได้อย่างไร อ, ะอ่ ะ, อะต้องให้เข้าใจผู้จะรู้เท่าทุกได้ก็เพราะว่าทำใจฝึกใจใ้เข้มแข็งตั้งมั่นด้วยดี ไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อร้อนต่อหนาวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต่อเจ็บปวดพอจิตไม่หวั่นไหวอ่นั้นแล้วมาเพ่งดูทุกข์กว่านี้อ้าวทุกข์นี่มันคืออะไรมันมีตัวเลอมันเป็นยังไงอ่ะตัวทุกข์มันอยู่ที่ไหนหรือเมื่อมาเพ่งดูแลว้วมันไม่เห็นที่ว่านี้ไม่เห็นตัวทุกข์อ้าวเห็นอะไรแน้วก็เห็นในความรู้สึกอยู่เท่านี้เองนะ คำว่าทุกข์นะได้แก่ความรู้สึกในจิตในใจในเทวนี้เองคำว่าเจ็บแข้งเจ็บขาโน่นนะมันก็มาเจ็บอยู่ที่จิตความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกนี่แหละกระวนกระวายจึงว่าทนเจ็บแข้งเจ็บขาแต่ถ้าจิตนี้ไม่กระวนกระวายไม่วันไหวแล้วไอ้คำว่าเจ็บแข้งเจ็บขาไม่มีแบบ น, นี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีเมื่อว่าแข้งดูแล้วอ๋อ ไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเน่มันอยู่ที่คิดอยู่ที่ความรู้สึกอันนี้เมื่อความรู้สึก น, นี้วันไว้แล้วแล้วก็สมมติกันว่าเป็นทุกข์คำว่าไม่ทุกข์นั่นหมายความว่าเมื่อความรู้สึกอันนี้ไม่วันไว้มีสติมีขันติทรรมเป็นเครื่องโยมีปัญญารอบรู้ความจริงของสังขารนั้นอยู่ไอ้อย่างนี้นะแล้วความรู้สึกอันนี้ไม่วันไว ทุกมันก็ไม่มีวันนี้นะอะ่นั่นแหละทุกก็ไม่มีไม่มีใครเป็นทุกไม่มีใครสวยทุกวันนี้นะเพราะว่าจิตไม่สวยแล้วใครจะสวยทุกวันนี้ไม่มี้นี่หลให้พากันเข้าใจก็เรื่องทุกเลยแหละมันทำให้คนเราดินน้นรนเดือดร้อนไปในสงสารอันนี้นะเพราะรู้ไม่รู้เท่าทุกอ่ตามเป็นจริงจิตใจจึงละหลเล้วไห ล, ล, ลวอกแวก ดิ้นลนไปมาเมื่อแต่ดิ้นลนอย่างนั้นเน่ยหากเวลาตายลงอย่างนี้นะจิตนี้มันก็ดิ้นลนไปเหมือนกับเมื่อเวลายังอาศัยอยู่ในจิตนี้แหละเพราะว่าจิตดวงเดียวนี้เมื่อแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี่ดิ้นลนกระวนกระวายเอาเวลาตายลงจิตออกจากร่างนี้ไปแล้วมันโคกระวนกระวายไปอย่างนั้นเนี่เรื่องของเรื่องนะมันเป็นอย่างนั้นแต่วคกระวายไปหาที่เกิดอีกไหมอีก เอาเกิดมาแล้วก็มักมูลกวายอยู่อีกมาเดือดร้อนอีกนี่ให้สังเกต ด, ดูคนเราเป็นอย่างนั้นบางคนนะเป็นคนเดี่ยวทุกข์จริงๆนะเนื่องจากว่าทำอะไรผิดหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนโกรธให้ตัวเองทำอะไรผิดหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเวลา ใ, ใครมาด่ามาว่าทีเทียนก็โกรธไม่พอใจ อันโมนีล้วนแต่เป็นบออเกิดเห่งทุกทั้งนั้นเลยทุกข์ทางใจนะอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็สอนใจเข้าไปที่แบบนี้นะจิตใจตั้งมั่นลงแล้วทำอะไรผิดหวังเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงผิดหวังถ้าโรกนี่มันเที่ยงแล้วเราแสวงหาอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่แตผันวันไว้มันก็ได้ตามประสงค์ เมื่อเป็นเช่ย น, นี้มันก็มันก็เที่ยงยั่งยืนที่โลกอันนี้นะเมื่อมันเที่ยงยั่งยืนนี้เนี่ยมันมันจะมีทุกมาแต่ไหนวหมนี้ทุกเขาไม่มีเพราะเหตุที่ว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงได้หวันไหวไปมามันจึงเป็นทุกข์อยูอย่างนี้สิ่งที่เราจะทําให้เที่ยงได้นั่นคือดวงจิตอันเป็นอื่นนั่นใครจะไปดัดแปลงอย่างไงยังไงมันก็เที่ยงไม่ได้ขอให้เข้าใจขอให้แยกเนี้ยดูให้ให้เข้าใจ ดวงจิต น, นี่เมื่อเราภาวนาไปเท่าไรเ่งความรู้สึกอันนี้เข้าไปเท่าไรสติแก่กล้าเข้าควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้ความรู้สึกอันนี้ไม่วันไเวทอิ่มต่อโลกอนิวาสอันนี้ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ยินดียินร้ายกับความเป็นไปของโลกอันนี้อย่างนี้นะจิตตั้งมั่นรู้แจ้งตามเป็นจริงอยู่ได้นี่จิตนี่ตั้งมั่นอยู่ได้วันนี้นะอ่า น่แหละเราสามารถทำให้จิตในเที่ยงได้ให้เข้าใจอา้าวมันจะไม่ขัดกับอภิธรรมที่ท่านสแสดงไว้หรือรว่าจิตเกิดจิตรับอา่าอย่างนี้ไม่ขัดไม่ขัดไอจิตในอภิธรรมนั้นท่านอธิบายไว้ถึงร้อยี่สิบเอ็ดดวงน่นนะอันนั้นหมายความว่าจิตที่ไม่ตั้งมัน่น จิตที่ไม่ได้อบรมไม่ฝึกผนให้ตั้งมัน่นมันพึงได้คิดได้ปรุงแต่งกระจายออกไปเป็นหลายอาการในในอภิธราารมภาะสาทตาแสงว่าถึงมากสูงสุดร้อยยี่สิเอ็ดดวงไนงะนี่แหละแล้วทีนี้เมื่อเรามาฝึกฝนจิตใจใ้เข้าไปทำใจนี้ให้สงบลงไปแล้ววันี้เดี๋ยวทุกข์ก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อ สูกหายไปอย่างนี้นะไอสัญญาอย่างนี่ก็ลองสังเกตดูสิเดี๋ยวประจำเรื่องนั้นน้อยนึงแล้วประดับไปประไปจำเรื่องอื่นต่อไปอีกเดี๋ยวก็ไปจําเรื่องนั้นอีกทิ้งเรื่องนั้นก็ไปจําเรื่องอื่นอยู่งนี้นะสัญญานะเราสังเกตดูอะมันจะเอาอะไรมาเที่ยงได้ล่ะฮะนี่สังขารความคิดความพวงแตว่งในใจิตใจมันก็ไม่เที่ยงคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ในขณะนี้เนี่ยคิดดีคิดอยากจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่างๆหน้าหน้าอย่างนี้นะหน่อยหนึ่งบัดนี้มันไปคิดถึงเอะเราทำความดีไปคนนั้นมาขัดขวางอะมาเบียดเบียนเราทำให้เราไปทุกข์เดือดร้อนเอาใจก็แปลไปตามเรื่องอารมณ์มนั่นแล้วเกิดอาุศลจิต คิดอยากจะตอบโต้คิดอยากจะเบียดเบียนตอบคนนั้นเข้าไปแล้วก็เป็นทุกข์กับความคิดตัวเองนั่นอีกเลยวันนี้นะนี่เนี่ยความคิดจึงชังว่วมันเป็นของไม่เทีย่ยงคิดดีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนอนนึนกว่าคิดชั่วขึ้นมาแล้วก็ดับไปนอยนก็คิดไม่ดีไม่ชั่วขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วขนาดหนึ่งก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละ อันนี้ท่านเรียกว่าเจตสิกในทางธรรมะนะเจตสิกแปลว่าความคิดไม่ใช่ดวงคิดอ่ามันคิดไปยังไงเราก็ทวงกระแสจิตกลับคืนมาไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่จิตใจเกิดแล้วรับไปอย่าไปหลงว่าสำคัญว่าเป็นจิตส่วนมากก็สำคัญว่าจิตเรามันคิดไปท่งโนดคิดไปอย่างนี้จิตไม่อยู่อ่นี่ สำคัญไปอย่างนั้นมีจะไปก็ไปไม่ทวนกระแสคืนนี่นะฟังให้ดีนะอย่างนั้นแหละไฟที่มันจะเดือดร้อนนะ่ะผู้ภาวนาแล้วเมื่อรู้ว่าตนเผลอจิตมันคิดพุ่งไปอย่างนี้นะรู้ตัวแล้วก็ทวนกระแสจิตึ้นคือว่าทวนความระลึกอันนั้นนะ่ะคืนมาระลึกเข้ามาหาความรู้ตามเดิมไม่ไปตามความคิด หมายถึงสตินั่นเองสติย้ยอนระลึกเข้ามาหาจิตนี้หาความรู้สึกนี้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ระลึกไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเมื่อทวนสติมันคิดไปยังไงเราก็ทวนกระแสจิตกลับคืนมาไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่ใจิตใจเกิดแล้วรับไปอย่าไปหลงว่าสำคัญว่าเป็นจิตส่วนมากก็สาคัญว่าจิตเรามันคิดไปทองโน้คิดไปอย่างนี้ จิตไม่อยูอ่อ่นี่สําคัญไปอย่างนั้นมีจะไปก็ไปไม่ทวนกระแสคืนนี่แล้วฟังให้ดีนะอย่างนั้นแหละสาเหตุที่มันจะเรือดร้อนนะ่ะผู้ภาวนาเนี่ยเมื่อรู้ว่าตนเผลอจิตมันคิดพุ่งไปอย่างนี้นะรู้ทัวแล้วก็ทวนกระแสจิตขึ้นคือว่าทวนความระลึกอันนั้นนะ่ะคืนมาระลึกเข้ามาหาความรู้ตามเดิม ไม่ไปตามความคิดหมายถึงสตินั่นเองสติย้อนระลึกเข้ามาหาจิตนี้หาความรู้สึกนี้หมายความาอย่างนั้นไม่ระลึกไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเมื่อทวนสติเข้ามาระลึกเข้ามาหาความรู้สึกมาประคองความรู้สึกอะีรนนอยู่แล้วไอความคิดทางหลนนั้นมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะ ความคิดต่ไรนั่นก็ดับไปเมื่อความคิดกลางๆนั้นดับไปความรู้สึกอันนี้มันก็อยู่เฉยอมีสติประคองอยู่เมื่อมันได้รับความสุขอันเกิดจากความสงบนั่นอย่างนี้มันก็เกิดปีติสิอิม่มความรู้สึกอ น, นี้รู้สึกว่าอิม่มไม่ต้องการอยากคิดไปไหนแลน้ววะนี้มันอิม่มมันได้ความสุขแล้วนีมันได้ความสงบความเย็นใจแล้ว มันก็อิ่มอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็มีสติประคองความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแล้วเราทำความรู้เท่าปีติเข้าไว้อีกปีตินี้ก็ไม่เพียงเมื่อมันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหนึ่งแล้วไปไปแล้วมันก็จางหายไปนี่เราต้องรู้เท่าไว้ล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าเมื่อเมื่อกำลังมีปีติอย่างนั้นรู้สึกว่ามันเป็นสุขสบายมากแต่ถ้าไม่รู้เท่าแล้ว เมื่อเวลาปีติหายไปไอจิตใจที่ว่าตนเป็นสุขสบายเนะี่ยมันก็หายไปตามกันน้อยใจโอ้ทําไมปีติมันหายไปเสร็จแล้วทํายังไงถึงจะได้กลับขึ้นมาก็ไปบิตกีจานน้อยเนื้อต่ําใจอีกแล้ววะนี้นั่นเราเรียกว่าไม่รู้เท่าปีติเมื่อเราภาวนามเกิดปีติแค่เตือนตนว่าปีตินี่ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่ใช่เพียงของยังยืนนะอย่าไปหลงนี่เตือนตนไว้อย่างนี้แล้วเวลามันเกิดขึ้นมามันก็ไม่หลงละจิตนะยเวลามันเสื่อมไปคลายไปหายไปจิตก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่หน่อยเนื่อทําใจอะไรก็รู้แล้วนี่ว่าพิธีมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปแหละของไม่เที่ยงนะเอาสิ่งใดเที่ยงเท่นี้เอาความรู้จริงสิมันเที่ยงอะความรู้จริงรู้ไม่ผิด รู้ตามความจริงรู้อะไรก็รู้ตามความจริงไปหมดความรู้จริงอย่างนั้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดแล้ววันนี้เพราะว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงมันก็รู้จริงดำจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้นะแล้วมันจะหวั่นไหวไปทําไมวันนี้ยอ่ารู้ว่าขันหน้านี้มันเป็นทุกข์มันทนยากลําบากก็รู้จริงแล้วว่าขันหน้านี่มันเป็นทุกข์ทนยากลําบากแล้วจะหวั่นไหวไปตามมันทําไมเพราะขันหน้านี้มันไม่ใช่ของเรานี่ นี่ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะอ่านี่แหละเมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปบ่อยๆอย่างนี้จิตก็รู้ยิ่งขึ้นไปแต่วันนี้รู้ยิ่งในกันหน้าอือนี่แหละจิตนี่แล้วเราฝึกให้มันเที่ยงมันยั่งยืนได้อยู่เมื่อมันไม่หวั่นไหวกับทุกขเวทนาต่างๆไปแล้วมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้ออแค่นี้แหละ อะไรก็ต้องเข้ามากระทั่งเข้ามามันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เศร้าโศกไม่เสียใจอันนี้ท่านเรียกว่าวิปัสนาญาณแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงนะให้พากันเข้าใจแต่ถ้าหาว่ารู้ขึ้นมาเป็นบางคราวแล้วความรู้นั้นหายไปจิตวันไหลขึ้นมาแสดงว่าวิปัสนานั้นยังไม่แต ก, กล้าต้องให้เข้าใจอย่างนี้ ต้องทำให้มากต้องเจริญให้มากเช่นนี้แล้วก็วิปัสสนามันแก่กล้าเข้าไปแล้วไอ้ความวันไหวของจิตมันก็ น, น้อยลงน้อยลงอย่างนี้นะเมื่อรู้จริงตามเป็นจริงในสิ่งที่เราคล้องใจอยู่เราไม่รู้มาแต่ก่อนมันรู้จริงตามสภาพอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนให้ผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลายเนะี่ย รู้ว่าภาตุสีขันหน้าหรือโรคจิจากธาตุสีขันหน้าออกไปเหล่านี้นะองสอนให้พี่นาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเมื่อรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่าไปถือมั่นไว้ไม่ใช่ว่าพระองค์สอนให้พี่นาให้รู้แล้วยึดไว้ไม่ใช่นะ mm. พี่นาให้รู้ชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางเ mm. มื่อปล่อยวางได้ตามสภาพมันปล่อยวางในคิจริงเนาะ จิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งหมายความว่าความรู้สึกอันนั้นแหละก็เป็นหนึ่งอ่ไม่ไม่คิดไปทางไหนแล้ ว, วันนี้นะมีความรู้สึกเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นมีสติคอยกากับคอยประคองอยู่อย่างนั้นความรู้สึกเป็นหนึ่งอันนั้นมันก็รู้ยิ่งขึ้นแหละวันนี้ท่านเรียกยานยานความรู้ก็มาจากจิตนั่นแหละจิตรู้ยิ่งท่านเลยบรรยาัตวียณนี่ขอให้เข้าใจ คำว่าปัญญายัญ น, นี่ก็หมายถึงว่าจิตนั่นแหละรู้ยิ่งเห็นจริงในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามความเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรามีนะนี่เราก็รักษาความรู้ความเห็นนั้นไวให้นานเท่าที่จะนานได้นะวันนี้เมื่อมันจิตรวมลงขั้นที่สองด้วยอํานาจแห่งปัญญาวิปัสสนาญาณ น, นี่การการที่จิตรวมมีอยู่สองขั้นสองขั้นตอน ขั้นแรกนะั้นเราจะเพ่งส่วนมากอย้ำอีกทีหนึ่งเพ่งความรู้สึก น, นั่นแหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เพ่งเพื่ออะไรอะ่ะเพ่งเพื่อไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งไปตามอารมณ์ต่างๆนี่นะเราไม่มีทางอื่นที่จะให้จิตนั้นหยุดคิดหยุดมีแต่เพ่งลูกเดียวเลยเพ่ง เข้าไปสติให้มันยังเข้าไปถึงความรู้อันนั้นนะเมื่อเราเพ่งเข้าไปทเท่าไรสติมันก็ยังเข้าไปถึงความรู้อันนั้นอย่างนี้นะเมื่อสติยังเข้าไปถึงความรู้นั้นแล้วมันจะหยุดคิดทันทีให้สังเกตดูถ้าสติยังยังเข้าไปถึงความรู้นั้นมันคิดไปบ้างหยุดไปบ้าง อ, อย่างนี้แหละให้สังเกตดูให้รู้ด้วย เจ็ดส ง, งบตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติโดยโด ย, โดยแท้จริงนะสติสําคัญมากทีเดียวสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกอยู่แต่ในความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ระลึกไปทางอื่นนี่พูดย่นย่นยนย่ยอย่อเข้ามาให้ผู้ฟังได้เข้าใจเอาเดื้อความมันนี่แหละความมุ่งหมายของสมถะนะเราเพ่งเพื่อให้ความรู้สึกนั้นมันหยุดคิดหยุดนึก ไม่คิดไปทางไหนเลยมีแต่ความรู้กับสติอยู่เท่านั้นเองนะนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งเราต้องฝึกให้หนักเล่นให้สมาธินะี่มันหนักเล่นจริงๆแล้วต่อจากนั้นไปถึงเจริญปัญญาวิปัสสนาดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อเห็นแจ้งอะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วจิตมันก็รวมลงถ้ามันวางแล้วจริงๆนะถ้ามันวางไม่ได้มันจะคิดต่อไปอีก ถ้ามันคิดต่อไปอีกนั้นก็พิจารณาเรื่องที่มันยังสงสัยอยู่นั่นน่ะให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงให้มันรู้ว่าเป็นสิ่งที่คนวางไม่ควรถือมั่นให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนั้นแล้ววันนี้มันจะปล่อยวางลงลองดูทีวันนี้จะจะปล่อยวางได้จริงๆริหรือถ้ามันปล่อยวางได้จริงจิตรวมลงเป็นหนึ่งมันก็ไม่พุ่งไม่แจงไปทางไหนบว่านี้อ่นก็มีสติ กับความรู้สึกเท่านั้นตั้งเป็นหนึ่งอยู่เลยความรู้ยิ่งอันนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยนี่แหละขอให้พากันเข้าใจไอจิตรวมลงครั้งที่สองนะันท่านเรียกว่าผลของวิปัสสนาหลังจากที่เราค้นคว้าเพ่งวิญญาณธาตุสี่ห้าให้เห็นตามเป็นจริงและจนเกิดนิพพิทาเบือนายเมื่อเบือนายก็วางลงไปเหมือนอย่างที่เรา มีสิ่งของอันที่อยู่ในมือแล้วไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบใจของนี่ควรทิ้งอย่างนี้นะถือเอาไว้ก็ไมมีประโยชน์อะไรอย่างว่าของที่มีกลิ่นเหม็นอย่างนี้นะอ้าวของนี่ไม่มีประโยชน์แล้วมีแต่กลิ่นเหม็นระโยชน์ทิ้งเท่านั้นแหละเมื่อมันรู้ว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่กลิ่นเหม็นเท่านั้นแหละอันฉันใดปัญญาวิปัสสนาก็เป็นเช่นนั้นเลย เมื่อเรากำหนดที่นาธาตีขันห้านี่เท่งอยู่ภายในเห็นร่างกายตามสภา พ, พความเป็นจริงเนี่ยบัด น, นี้ก็ต้ก็มาขอขอกลับเข้ามาพี่นาในปัจจุบันน่ะพี่นาในความรู้อันนั้นะแล้วเท่าที่พี่นาดูนาธาตีขันห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอ้าวไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิคนได้ยากลําบาก เมื่อส <ær> ิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ไม่ใจตัวตนเพราะว่าเราต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งใดเป็นเป็นทุกข์เราก็ไม่ถือว่าของเราถ้าฉะนั้นทําอย่างไงเอาก็ปล่อยวางตามสภาพสิเมื่อรู้ว่าเป็นไม่ใช่ของเราเบิ้ลเข้าไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางตามสภาพอย่างนี้นะปัญญาสอนจิตอันนี้นะเมื่อปัญญามสอนจิตจะนี้จิตรู้เห็นตาม เป็นจริงตามปัญญาแล้วมันก็พงก็วางลงได้ก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับขันห้านั้นอันนี้แหละท่านเรียกว่าวิปัสนาให้พากันเข้าใจใการเจริญวิปัสนานี่ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าเราเจริญสมาธิยังไม่เพียงพอจิตสงบยังไม่แน่วแน่พอก็อย่าเพิ่งไปเจริญวิปัสนาในะให้เข้าใจพยายามทาใจสงบเสียก่อน พยายามทำใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วรู้ว่าใจตั้งมั่นด้วยดีแล้วนะบนัดนี้ไม่พุ่งส่านเลื่อนลอยไปกับอารมณ์ใดๆแล้วอย่างนี้ตัวจึงค่อยเจริญปัญญาจึงค่อยคิดจึงค่อยพิจรารณาอให้รู้ความจริงของธาตุสี่กันห้านี้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลอดังที่เคยเทศให้ฟังมาแล้ ว, ลวนั่นเองเข้าใจว่าผู้ฟังมันมันหลายเนาะมันหลายเรื่องก็อาจจะจําไม่ได้ ต้องทบทวนอีกธาตุสี่ขันธานี้เกิดมาจากบุญจากกรรมจากบุญจากบาปที่ตนทำเอามาเสีชาติกร อ, อย่าไปลืมข้อ น, นี้ก็ดีแล้วบุญกรรมบาปกรรมที่นำติตพิญญาณมาใส่าตของมารดาบิดามาตกแต่งให้เป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี่บุญกรรมบาปกรรมอันนั้นก็ไม่เที่ยงนี่นะต้องให้รู้ทำไมเยอะ า, ามันไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงที่ เมื่อมันตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นกายนี่มาแล้วมันตามรักษาให้อยู่เย็นเจนสุขมาโดยลาดับลําดับต่อไปแล้วมันก็น้อยหล่ลงมันก็น้อยลงน้อยลงแหละบุญบาปกรรมนั่นนะเมื่อบุญมันน้อยลงน้อยลงร่างกายมันก็ทุดทรมลงไปเราเรียกว่าคนแก่คนชรานี่นะนี่เรียกว่าบุญมันน้อยลงนั่นนะให้ร่างกายที่มันทุดโทรมลงไปนี่ให้เข้าใจเมื่อไปไปนะบุญนะมัน หมดลงแล้ววนนี้ก็ร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ในลมหายใจก็ไม่มีนะหยุดเลยเมื่อบุญหมดแล้วลมหายใจก็หมดไปพร้อมกันจิตสิญญาณก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้นี่นี่แหละเหตุปัจจัยของธาตุปกันหน้าอันรวมเรียกว่าร่างกายหรือรวมเรียกว่าคนนี่นะเราต้องการภาวนาเจริญปัญญาทั้งพี่นาค้นคว้าหาเหตุปัจจัยของชีวิตอย่างดังกล่าวมานนี้ให้ได้ แล้วเราจะได้รู้ว่าขันดั้งห้าอันนี้เนี่ยมันมันไม่เที่ยงไหมยังยืนก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่ตกแต่งขันหน้านี้ไม่เที่ยงอันนี้เราจะได้รู้จกักเราจะไม่สงสัยว่าทำไหมพลาดตีกันหน้านี่มันจึงไม่เที่ยงเราจะไม่ได้สงสัยหมายความว่าอย่างนั้นเราจะสงสัยอะไรเรารู้ชัดแล้วอ๋อหมดบุญแล้วก็ตายรูปอันนี้คนเราเนี่ยไม่อยู่ไม่ได้แล้วง น, นี้นะ ดังนั้นเราก็รู้เท่าไว้เกลียมตัวไว้เสมอว่าบุญนี่มันจะหมดลงได้ไม่มีใครมาบอกข่าวให้รู้ได้อออย่างนี้เลยดังนั้นเราจะเตรียมตัวไวเ้เสมอสร้างที่พึ่งไว้ในใจสร้างบุญสร้างคุณไว้ในใจสร้างสติปัญญาในทางธรรมนี่ให้เกิดขึ้นไว้ในใจสร้างปัญญาความรู้เท่าสังขาร น, นา ม, ามรูปคาเมจิง อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันรู้เท่าแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่ใจนะปัญญาสอนใจให้รู้จริงดำเป็นจริงในกันหน้าแล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนน่ะทีนี่กันหน้านี่แต่พวนไปมันจะแตกจะดับก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกมันเอาแต่ก็แตกไปดับก็ดับไปเพราะเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราบุญกรรมบาปกรรมตกแต่งาธาตุของมารดาบิดาให้เกิดมาก็ไม่ใช่าธาตุไม่ใช่อย่างอื่นใด ธาตุดินธาตุน้ํานั่นแหละอ่และธาตุไฟธาตุลมก็มาทีหลังแบบนี้นะเมื่อบุญกรรมตกแต่งธาตุดินธาตุน้ําประกอบกันเข้าได้ส่วนธาตุไฟธาตุลมก็มาเข้าบัติวิญญาณจิตวิญญาณเขาเข้าอาศัยได้เมื่อวิญญาณก็อาศัยได้บุญกรรมก็แต่งอวัยวะน้อยใหญ่เช่นตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเนี่ บุญกรรมก็ตกแต่งธาตุของบรรดาวิดานั่นแหละให้เจริญขึ้นไปโดยลำดับเด็กที่นอนอยู่ในท้องของวรรดาอมันก็มันก็เล็กแหละวันเี้ก็ไม่ใหญ่แต่ว่ามันมีอาไวว่าครบช่วนเมื่ออยู่ได้ถึงเก้าเดือนแล้วก็คลอดออกมาอจึงได้เลี้ยงดูผูเสือกันรูปกายอันนี้จึงเจริญขึ้นมาโดยลำดับอาศัยบุญกุศลตามรักษา ไม่ให้มีความมิบัติไม่ให้แตกดับทําลายไปก่อนีน่นะเมื่อหมดบุญหมดกรรมมนที้แล้วทนอยู่ไม่ได้เราจะไปหาหมอมนกลคาถาหมอผีหมอสงังกระดกเคาะผูกรวงป้อนรอนบวงทงเทวดาอินพรหมอย่างไรกล่อมไม่ไหวยเทวดาอินพรหมก็ช่วยไม่ได้จะช่วยได้ยังไงเทวดาไปเนี่มาแต่งรูปอันนี้นี้ อินพรอมก็ไม่ได้มาแต่งรูปวันนี้บุญกรรมตัางห่างนี้มาแต่งรูปวันนี้ให้นเออแต่งธาตุดินน้ำไฟลมให้มีรูปร่างลักษณะขึ้นมาอย่างนี้เราก็สมมุติคันเราเป็นคนนะดังนั้นเมื่อหมดบุญหมดกรร ม, มนั่นลงไปแล้วรูปวันนี้มันก็แตกลับลงเท่านั้นแหละถ้าจะอุปมาหเห็นง่ายๆแล้วก็คือร่างกายในอาศัยอาหารเนี่ยถ้าศัยข้าวน้ำอย่างนี้นะ เราเราก็หล่อเลี้ยงมันอยู่ทุกวันทุกวันเนียร่างกายนี่ก็จึงเป็นอยู่ไม่ได้แล้วพองวด ไ, ไม่ไม่รับประทานอาหารไม่รับประทานข้าว น, น้ําลงไปแล้ววันนี้อร่างกายนี่มันก็ทุดที่งลงไปเพรไม่มีสิ่งหล่อเลี้ยงมันเมื่อเมื่อมันทนไม่ไหวแล้วมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงก็แตกดับทําลายลงอันนี้บุคคลผู้ทุกข์โทมนัสน้อยใจอะไรขึ้นมาแล้วมาอดข้าวไม่รับประทานอาหารไม่รับประทานน้ําอะไรอย่างนี้นะ นี่ได้ว่าฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นรักษาจิตใจของตอนภาวนาเจริญธรรมสัยพัฒนาใจตั้งมั่นมีสติมีปัญญารู้จริงตามเป็นจริงเหตุปัจจัยแห่งดังขันดังควรเหล่านี้แล้วไม่มีความทุกข์ทรมนัดครับแคนอะไรมันก็ไมจะไม่หดเข้าตายอ่ะถ้าจะอดให้มันลาบากทาไมล่ะ แล้วกดธรรมดาไม่มีอย่างนั้นบ้า น, นี้นั่นเองผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมมีกุศลดำมีเครื่องอยู่สบายใจแล้วถึงร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนยางไรจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เศร้าโศกแล้วจะไปฆ่าตัวตายทําไมวันนี้นะอคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยคนจิตใจมัวหมองคลับแคนะ้แน่นอุราหารัาสทำสบายไม่ได้เลยในโลกอันนี้ก็เ ร, เราอยู่อยู่ไปก็อยู่ไม่ไหวเราโลกนี้คลับแคบแล้วเกิน ทับแค็งใจแล้วเกินอย่างนี้นะอย่างปูนนักการเมืองไปอดเข้าประท้วงการเมืองอย่างนี้แสดงว่าตอนคิดว่าอยากจะให้การเมืองมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแล้ววันนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เอาแนวเกิดทุกขโมนัดขึ้นมาไม่มีทางอื่นเราจะไปปราบพามคนอื่นก็ไม่ได้วันนี้ก็เลยอดเข้าประท้วงเอา บางทีว่าเขาเมตตาเขาก็จะดำเนินการเมืองให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของตนทีนี้เมื่อเขาไม่ดาเนินไปตามแล้วตนก็ตายเสียเปล่าอ ม, มันเป็นอย่างนั้นนั่นคนคนขาดปัญญาคนไม่ได้ภาวนาไม่ทำใจให้สงบเป็นสมาธิคนไม่ได้เจริญปัญญาไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงเหตุนั้นจึงได้ทาลายตัวเองเสีย แทนที่จะบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อให้ได้สั่งสมบุญกุศลให้ได้เจริญธรรมฐานวิปัสนาอบรมจิตใจให้หลุดพ้นจากทีเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี้เอาก็ไม่เอาเสียไม่ทำํำเดี๋ยวไปทําลายตัวเองให้ตายไปนึกว่าตายไปโลกหน้าเนี่มันจะสบายมันจะสบายได้อย่างไรจิตดวงเดียวนี่นะเมื่อเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วตายไปสู่โลกหน้าก็าเป็นทุกข์ไปเหมือนเดิมนั่นเอง มันจะเป็นทุกขไปได้ยังไงมันมันคนเราจะเป็นทุกขได้มันต้องมีเหตุปัจจัยนําให้เป็นทุกข์ี่มันต้องมีบุญกุศลที่นั่นแหะบุญกุศลแหละทาให้จิตจแต่เรามีความทุกขไปโลกหน้านะบาปนั่นก็มีแต่นําจิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนไปโลกหน้าเท่านั้นเองนะออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนได้เข้าใจไว้ถึงแม้ตนจะประสบภัยวิบัติ อย่างไรอย่างไรแรงกล้าหรือว่าอย่างไงก็ตามแหละความมีบัตรทางร่างกายอย่างนี้เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็อย่าไปคิดฆ่าตัวตายอย่าไปโทมนัสอย่าไปครับแค้นใจก็อย่างที่ว่านั่นแหะผู้ที่ผู้ใดไม่ไม่ภาวนามันก็ครับแค้นเลยมันถือว่าตัวว่าทนนี้เมื่อผิดหวังเข้ามาแล้วก็เอาแล้วเมื่อผู้ใดได้ภาวนาอย่างที่แนะนำมาเนี่รับรองว่าไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโธกด้วย แม้ร่างกายจะวิบัตแิแปรปวนไปยังไงจิตจะไม่แปรปวนไปตามเลยจิตก็อยู่กับจิตความรู้อยู่กับความรู้นะเอาสติเข้าไปควบคุมอยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายนี้จะเป็นไปยังไงผู้ภาวนาจะมีนิมิตอะไรจะมีเสียงมีรูปอะไรปรากฏก็ไม่ไม่ท่งไปตามมันไม่วนไหลตามมันมีแต่สอนใจตัวเองว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินนั้นลว้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอ่า ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเรื่อยไปทวนกระแส จ, จิตกลับเข้ามาเรื่อยอย่าส่งไปตามเสียงอย่าส่งไปตามรูปเหล่านั้นอา้าลองทำดูสิผู้ใดเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นไปในสงสารอยากแก่พ้นทุกข์ไปโดยเร็วก็เข้ามารวมกันในที่นี้ก็มาปฏิบัติตามระเบียบของคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เจ้าสอนอยังไงเราก็ปฏิบัติตามไปอย่างนั้น เช่นรักษาศีลยังนี่ก็หมายความว่ารักษากายรักษาวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดในสิขาบทที่ได้สมทานแล้วมีสติสมบัตญะคอยระมัดระวังอยู่เสมออมืพูดแต่ในสิที่คนพูดสิ่งใดที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดนิ่งเฉยเลยดีกว่าอเนี่ยเรียกว่ารักษาศีลบำเพ็ญสมาธิเราก่อนอย่างว่านะถึงเวลาก่อนนั่งสมาธิลงไป แห่งจิตแต้เข้าถึงความสงบไปที่เราทำอย่างนี้เนี่ยการทำสมาธิลงไปนุภาพแห่งสมาธินี่มันจะไปทับกิเลสเอามันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนั้นกิเลสเหล่านั้นทนอยู่ไม่ไหวมันก็ถอนตัวออกไปทีกิเลสบางอย่างมันรุนแรงมาก มันถอนตัวออกไปมันก็แสดงเป็นนิมิตเป็นรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัวทางต่างลูกคนบ้างรูปสัตว์ว่างแลแสดงเสียงที่น่ากลัวทางต่างปากกออกไปอันนี้ท่านเรียกว่าอุกขะหนิมิตแปลว่านิมิตติดตาหลวพ่อทีเจ้าสอนให้รู้เท่านิมิตเหล่านั้นเมื่อมันทานต่ออำนาจแห่งสมาธิไม่ได้มันก็ ถอนตัวออกไปบนันิปัญญาก็ตามรู้เท่าว่านี้ว่านิมิตตา่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสังขารทำประเภทหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่หนอหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่มีแป่นสาลอะไรไม่ใช่ทำวิเศษอะไรแล้วปัญญาก็กําหนดรู้เท่าอย่างนี้แล้วก็ไปสํารวมจิตอยู่ภายในไม่วนไหวไม่ทรงไปตามนิมิตดังนั้น ไม่นานนิมิตนั้นมันก็ดับไปนี่นะเมื่อนิมิตทั้งหลายดับไปแล้วจิตก็เบิกบานผ่องใสจิตก็รวมลงแน่วแน่แต่ถ้าหากว่าไม่รู้เท่านิมิตนั้นเมื่อนิมิตนั้นเกิดขึ้นแล้วส่งใจไปตามถ้านิมิตที่น่ากลัวก็ตกใจจิตก็ถอนจากสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้ ถ้าเป็นนิมิต ท, ที่สวยสวยงามน่ารักน่าใครก็เกิดความรักความใคร่เพลิดเพลินไปตามนิมิตตั้นเสียจิตก็สงบไม่ได้นี่เรียกว่าไม่รู้เท่านิมิตอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้รู้ไว้ทั้งส่วนดีและส่วนชั่วนิมิต ท, ทั้งหลายนั่นนะถ้ามันเกิดมีขึ้นมาอย่างนี้ก็จะได้รู้เท่าตามเป็นจริงไม่ยึดไปถือ แล้มันก็ดับไปเองอเป็นงั้นแต่บางคนก็ไม่มีรมหรอกไิมิตเหล่านั้นนะนะไม่เป็นก็ตามอัธยาศัยของใครของเราไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดหาไม่ได้ถึงไม่เห็นิมิตเหล่านั้นบางคนก็หงอยเหงาจืดเชืดตัวการภาวนาไม่เห็นิมิตอะไรเลยอย่างนี้มันทำให้เบื่อหน่าย อ, อันนั้นก็ไม่ถูกตอ้อง เมื่อไม่เห็นนิมิตเช่นนั้นเราก็เอาร่างกายนี่นะเป็นนิมิตนะร่างกายนี่ประกอบไปได้วยธาตุสี่ดินน้ําไฟลมในถ้าเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์อยู่ยยนี่นะมันก็เป็นนิมิตปรตะเภทหนึ่งนี่นะให้เข้าใจเรากําหนดรู้ลมเข้าลมออกได้เยอะนี้ก็เท่ากับว่ากำหนดรู้นิมิต เราภาวนาคราวนี้เอาลมเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายจิตใจกําหนดรู้อยู่แต่ลมเข้าลมออกเช่นนี้มันก็ไม่ได้คิดพุ่งสร้างไปทางอื่นเลยถ้าเผลอสติเข้าไปมันก็คิดอ้าวตั้งสติกําหนดลมหายใจเข้าออกไหมอย่างนี้นะก็กําหนดพยายามอย่าให้มันเผลออย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่เผลอแล้ววันนี้ จิตใจที่ถูกประคับประคองอยู่ด้วยกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปทางอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็รวมลงไปอย่างนี้นะจิตนี้มันก็รวมลงไปได้เป็นหนึ่งรวมไปมเรื่องภาวนานี่ขออย่าไปหนีหลักคือสติสัมปชัญญะ คุณธรรมสองอย่างนี้เป็นอุปการะแก่การสมาธิภาวนาตลอดถึงการเจริญวิปัสนามันก็ต้องมีสติสมัทญญานค้กกับทุกระยะไปเลยไอ้ความคิดการคิดการพิจรนามันจะรู้แจ้งไปได้ก็เพราะอาศัยสติสมบทญญาในําหนดรู้รู้จิตตัวเองหมายความว่างั้นแหละ ประคองจิตนี้ไว้ไม่ให้มันหันเหนไปนอกทางอเหตุนั้นมันจึงไม่รู้แจ้งไปตามเป็นจริงเมื่อเราพิจารณาสิ่งใดนี้ก็ไอรู้สิ่งนั้นไปตลอดสายเลยให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นไปตลอดเมื่อเห็นจริงตามตามเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ยึดถือทการที่เราหยิบยกมาพิจารณาเนี่ะ ก็เพาบางทีจิตใจมันสงสัยอยู่มันหลงยึดหลงถืออยู่ดังนั้นเราจึงหยิบยกมาพิจารณาตีแผ่ออกดูเช่นรูปร่างกายอันเนี้ยที่สมมติกันว่าเราว่าเขาว่าตัววตนอยู่ในโลกอันเนี้ยมันเป็นของเราจริงๆเหรืออย่างนีนะเมื่อเราเพ่งพิจารณาแยกเนี้ยออกกันไปดูแล้วมันก็มันไม่เห็นมีเขามีเรามีตัววีตนอยู่ที่ไหนอะ กองนั้นก็ธาตุดินกองนี้ก็ธาตุนา้ากองนั้นก็ธาตุไฟกองนี้ก็ธาตุล ม, มแล้วอย่างนี้หาตัวไม่เจอแล้วเป็นแต่สภาวธาตุอยู่เฉยๆอันนั้นเมื่อเราเพ่นาเป็นกองกองไปเห็นตาไม่จริงอย่างนั้นแล้วเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็วางสิแบบ น, นี้นะจะไปถือไว้ทําไมอ่ะการถือธาตุอันนี้ไว อย่างนั้นก็หมายความว่าเราไปถือเอาของไม่เที่ยง